ล่อจังล่อจริงคู่ใครนั่นนิงเป็นบ้า ถ้าพ่ะนาวซามเชยจอดไม่มีเปิดเผยจะนั่งเฝ้าเกยคุยด้วยทั้งคืนวงแขนกล้ามเป็นมัด รอานจเชยโจทย์ไม่มีเปิดเผ ย, ยจะนั่งเขาเกยคุยด้วยทั้งคืนหล่ อ, ลอจังหลอจหล่ อ, ลอจังหล่ อ, ลอจ